นันทยะสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่านันทยะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนินคโครธารามเขตกรุงกะเบลพัทแควนสักกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะเสด็จไปจำพรรษาณกรุงสาวัตถีเจ้าสักยะพระนามว่านันทยะได้ทราบข่าวอย่างนี้ว่าได้ทราบว่า พระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะเสด็จไปจำพรรษาณกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะได้ทรงมีพระดำริดังนี้ว่าทางที่ดีแม้เราก็ควรจะพักอยู่ตลอดพรรษาในกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นเราจะประกอบการงานและจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามเวลาอันสมควรครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงเข้าจําพรรษาณกรุงสาวัตถีแม้เจ้าศักยพระนามว่านันทิยะก็ได้พักอยู่ตลอดพรรษาณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ได้ทรงประกอบการงานและได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามการอันโกนสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาค้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีจีวรสาเร็จแล้ว ล่วงไปสามเดือนก็จากเสด็จเจ้าริกไปเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะได้ทรงทราบข่าวอย่างนี้ว่าได้ทราบว่าภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จากเสด็จเจ้าริกไปครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่านันทยะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 ผูระบุตรู้ผู้มีศรัทธาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้ไม่มีศรัทธาไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีศีลเป็นผู้ประสบความสาเร็จผู้ทุศีลไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้ปรารกความเพียรเป็นผู้ประสบความสาเร็จผู้เกียจคร้านไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสาเร็จผู้หลงลืมสติไม่ประสบความสาเร็จหนึ่ง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 พระองค์พึงตั้งสติมั่นไว้ภายในตนปรารบธรรมอย่างนี้เถิด 3. พระองค์พึงรึ้ถึงเหล่ากัลยาณมิตรว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีกัลยาณมิตรผู้เอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์กล่าวแนะนำพร่มสอนนันทิยะพระองค์พึงตั้งสติมั่นไว้ภายในตนปรารบเหล่ากัลยาณมิตรอย่างนี้เถิดสี่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 ปรารบจาคะอย่างนี้เถิด 5. พระองค์พึงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาเหล่าใดร่วมความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดาผู้มีคํำข้าวเป็นพักษาแล้วเข้าถึงกายามโนใหม่อ ย, ย่างใดอย่างหนึ่งเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่พิจารณาเห็นกิจที่ควรทําของตนหรือการสั่งสมกิจที่ตนทําแล้วนันทิยะเทวดาเหล่าใดเหล่าหนึง่ง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 พระองค์พึงตั้งสติมั่นภายในปรารบเทวดาอย่างนี้เถิดนันทิยะอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการนี้แลย่อมละไม่ยึดมั่นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการนี้ย่อมละไม่ยึดมั่นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อที่คว่ําย่อมไม่กลับมาบรรจุของที่โขกแล้ว และเปรียบเหมือนไฟที่ลามพ้นไปจากย่าแล้วย่อมไหม้ของที่ควรไหม้เท่านั้นย่อมไม่กลับมาไหม้ของที่ไหม้แล้วนั่นที่ยะสูตรที่สามจบ 4. สุภูติสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสุภูติครั้งนั้นท่านพระสุภูติกับภิกษุผู้มีศรัทธาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสุภูติดังนี้ว่าสุภูติภิกษุนี้ชื่อไรท่านพระสุภูติกราบทูลว่าภิกษุนี้มีศรัทธาเป็นบุตรของอุบาสกผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าค่ะสุภูติภิกษุนี้มีศรัทธา เป็นบุตรของอุบาสกผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเห็นลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรแสดงลักษณะของผู้มีศรัทธานั้นข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรแสดงลักษณะของผู้มีศรัทธานั้นขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเถิด ข้าพระองค์ก็จักทราบณบัดนี้ว่าภิกษุนี้จะเห็นลักษณะของผู้มีศรัทธาหรือไม่สุภูติถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระสุภูติทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าสุภูติหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสารวมด้วยการสังวรในปาฏิโมก พี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม่การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลละถึงสมทานศึกษาอยู่ในศิกข า, า, า, า, า, า, าบททั้งหลายนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาสองภิกษุเป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิแม้การที่ภิกษุเป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฐินี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 3. ภ ی, olsun, พิสษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้การที่พิสษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 4. ภิสษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพแม้การที่พิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทาให้เป็นผู้ว่าง่าย อดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 5. <Huh. S 1> ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียรคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทานั้นสามารถทาได้สามารถจัดได้ แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียดครา้านิกิตที่จะต้องช่วยกันทําทั้งงานสูงและงานต่าของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายและถึงสามารถทําได้สามารถจัดได้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 6. ภิกษุเป็นผู้ใครท่ทาเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีปราโมทความบันเทิงใจอย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินย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 ตลอดสังวัตกรรเป็นอนมากบ้างตลอดวิวัตกรรมเป็นอนมากบ้างตลอดสังวัตกรบและวิวัตกรรเป็นอนมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นเข้าไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวัะมีอาหาร สวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจาะพบนั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้แม้การที่ภิกษุระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึงพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาสิ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 เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์แอมบริสุท์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหลแม้การที่ภิกษุเห็นหมู่สัตว์ละถึงด้วยตาทิพย์อมบริสุ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาสิบเอ็ดภิกษุทาให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้การที่ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสุภูติได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วนี้มีอยู่พร้อมแก่ภิกษุนี้และภิกษุนี้ก็เห็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเหล่านี้คือ 1. ภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปฏิโมห์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อย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 ภิกษุนี้เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี 4. ภิกษุนี้เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับฟังคําพร่ำสอนโดยเคาร 5. พ 5. ภิกษุนี้เป็นผู้ขยันไม่เกียร์คร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนโรมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา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 ไม่ทอธทุระในกุศุนธรรมทั้งหลาย 8. ภิกษุนี้เป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 9. ภิกษุนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างและถึงพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 10. ภิกษุนี้เห็นหมู่สัตว์ผู้กําลังจุติกําลังเกิดทั้งชั้นต่ําและชั้นสูงงามและไม่งามเปิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมส1บภิกษุนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้เหล่านี้มีอยู่พร้อมแก่ภิกษุนี้และภิกษุนี้ก็เห็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีล ะ, ละสุภูติถ้าเช่นนั้นเธอพึงอยู่กับภิกษุชื่อว่ามีศรัทธานี้เถิดสุภูติแต่เมื่อใดเธอหวังจะมาเยี่ยมเยือนตถาคต เมื่อนั้นเธอกับภิกษุชื่อว่ามีศรัทธานี้พึงมาเยี่ยมเยือนตถาคตเถิดสุภูติสูตรที่สี่จบหเ <5. S 1> มตตาสูตรว่าด้วยอนิสง์ของเมตตาภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวีมุตที่บุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้ว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 ให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์สิอประการนี้เมตตาสูตรที่ห้าจบ 6. อัฏกะนาคระสูตรว่าด้วย ข้าบดีชาวอัตกนครสมัยหนึ่งท่านพระอานนลอยู่ณเวลุวคามเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแหลข้าบดีชาวอัตกะนครชื่อว่าทัาสมะได้เดินทางไปถึงเมืองปัตลีบุตรด้วยกิจที่ต้องทำบางอย่างครั้งนั้นแหลทัสมะข้าบดีชาวอัตกนครได้เข้าไปพบภิกษุรูปหนึ่งที่กุกุตาราม จึงถามภิกษุนั้นว่าท่านขอรับเดี๋ยวนี้ท่านพระอานนท์อยู่ที่ไหนเขาพระเจ้าต้องการจะพบท่านภิกษุตอบว่าข้าพบดีท่านพระอานนท์นี้อยู่ที่เวลุวคามเขตรุงเวสาลีครั้งนั้นทศมาข้าพเจ้าบดีชาวอัฐกานครทำกิจที่ควรทำในเมืองปัตลีบุตรเสร็จแล้วได้เข้าไปพบท่านพระอนนท์ที่เวลุวคามเขตรุงเวสาลี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 หรือเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุธิกกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเป็นอย่างไรท่านพระอานุนตอบว่าขหาบดี 1. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สังอาจจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย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 หากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องตามห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นนั้นจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกขหาบดีธรรมอันเป็นเอกแม่นี่แลซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไป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 มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ละถึง 3. เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌาน 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้ว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 ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพยบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุนนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้เมตตาเจโตวิมุตตินี้แลก็ถูกปรุงแต่งแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยง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 6. กพิษุมีกรุณาจิตละถึง 7. ภิกพิุมีมุทิตาจิต 8. ภิพิุมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพยบูนเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวร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 เมื่อท่านพระอาน o น์กล่าวอย่างนี้แล้วทัสมะขะบดีชาวอัฐกนครจึงกล่าวว่าท่านอาน o น์ผู้เจริญข้าพเจ้าเมื่อสแสวงหาประตูอมตะธรรมประตูเดียวได้รับประตูอมตะธรรม11ประตูคราวเดียวกันเปรียบเหมือนบุรุษสแสวงหาแหล่งขุมทรัพย์ขุมเดียวพึงพบขุมทรัพย์11ขุมคราวเดียวกันข้าพเจ้า จะสามารถทําตนให้ปลอดภัยได้โดยประตูอมตะธรรมสิบอ็ประตูนี้ประตูใดประตูหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษมีเรือน11ประตูเมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม้บุรุษนั้นสามารถทําตนให้ปลอดภัยได้โดยประตูใดประตูหนึ่งท่านผู้เจริญธรรมดาอัญญเดรธีเหล่านี้จกสแสวงหาทรัพย์บูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์ ส่วนข้าพเจ้าจะไม่ทำการบูชาท่านอานนนได้อย่างไรครั้งนั้นแหล้าสมะขบปีชาวอัฐกานครนิมนต์ภิกษุสงฆ์ชาวกรุงเวสาลีและกรุงปตาตลีบุตรให้ประชุมกันแล้วอังคาดภิกษุสงฆ์นั้นให้อิ่มน้ำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีต ด, ด้วยมือตนเองนิมนต์ภิกษุให้ครองผ้ารูปละคู่ให้ท่านพระอา น, น์ครองไตรจีวร และได้สร้างวิหาร500หลังถวายท่านพระอาณนนท์อัฐกะนาคระสูที่6จบ